ตอนอบรมกลมสัพพสามิตรภาคหนึ่งระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม2559ตอนที่ห้าปัจจุบันนี้นวิชาโยคะตรงนี้เนี่ยกลายเป็นวิชาปัจจุบันแล้วคุณหมอทำเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องไปฝึก น, นะเราฝึกมาหลายชาติละนะฝึกกับจิตเดิมเรานะ่แต่แรกๆในร่างกายมันไม่คุ้นเคยมันก็ต้องระบมันหน่อยเองตอนนี้แกคุ้นเคยละก็ถ่ายทอดโยคะ และก็โยคะไม่มีสูตรสําเร็จไม่มีท่าสําเร็จเวลานั้นจิตเราเองรู้ว่าร่างกายเราปัจจุบันเนี่ยดินน้ําลมไฟตรงไหนมันบกพร่องกล้าเมเนื้อเส้นเอ็นตรงไหนน่ะจิตเขาจะรู้ว่าเขาจะไปเอาท่าไหนเนี่ยมารักษาแต่โยคะปัจจุบันเราฝึกฝึกทีละท่าครูบาอาจารย์สอนก็ฝึกทีละท่าฝนะึกทีละท่านะฝึกไท้แกก็ฝึกทีละท่าบางทีท่าที่เราฝึกมันเดินลงบานเลียวซย้ย แต่มันไปนชนกับลมปานข้างในมันเลี้ยวขวาอยู่มันจะขัดแยงแต่ถ้าจิตเราดําเนินเนี่ยเขารู้ว่าเวลานี้ข้างในเป็นยังไงเขาจะเสริมกําลังให้ข้างในมันแหลงขึ้นอันนี้คือตัวปัญญาแต่ตัววิชาการที่เราฝึกทุก ว, วันนี้มันเป็นแค่ k n โนเลจเป็นแค่องค์วามรู้ที่เราเลือกจากเราเราเรียนรู้ในชาตปัจจุบันไม่มีข้อจํากัดของมันนะคำตอบก็คือว่าตอนนี้คุณหมอยาเมื่อวานก็ยังอยู่แกต้องทำโยคะให้ใ ห, ใ ห, ให้ให้พี่บิ๊กเนี่ยถ่ายถ่ายถ่า ย, า ย, ายดูนะ ตอนนี้ทำเมื่อไหร่ก็ได้นะไม่ต้องไปฝึกนะครับอันนี้คือคำตอบและอีกคำถามหนึ่งมักกี้นี่เห็นบกภูเก็ตเนี่ยเวลาเขาจัดงานกินเจอะไรเหมือนเข้าทรงอนนันเาเรียกว่าเข้าคำว่าเข้าทรงคือ outside in อพลังข้างนอกมาครอบงำเรานะเขาใช้ร่างกายเราทำเนี่ย9็ดเปอร์ซไม่ใช่ของจริงเข้าทรงมีจริงไม่มีจริงนะ มีคนแสดงที่ภูเก็ตนั้นหลายปีก่อนออกมาโทรทัศน์ช่องหนึ่งเขามาเผยหมดเลยว่าเป็นการแสดงเอาบางทีเราแทงกันเลยเหมือนเหมือนสตรีเราไปเจาะตุ้งหูใช่ไหมเราเจาะบ้างบางบา ง, บางแห่งเราเจาะได้ไม่เจ็บเลยนะมันเป็นการฝึกนะมันเป็นการฝึกแต่เข้าทรงจริงๆก็มีแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์ต่อการเจริญภาวนาของจิตเราเลย นะเราถูกทรงพลังข้างนอกมาใช้ร่างกายเราทําหน้าที่เขาบางทีชีวิตนี้เราไม่เคยกินเหล้าเลยเนี่ยแต่ไอ้ทรงนะั้นมันกินเหล้าจริง ก, กินจนร่างกายเสียหมดเลยนะอันนั้นเป็นเรื่องประเพณีเนี่ยไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดนะก็เหมือนเป็นประเพณีปลาล์มว่าเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะต่อไปเราต้องอยู่ในศีลในธรรมนะอย่าไปทําชั่วมันก็เกิดประโยชน์ระดับหนึ่งนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันไม่ใช่เมื่อเราสร้างแรงเบี่ยงให้กับจิตแล้วเนี่ย ต่อไปเขาเล่นคุณใสเล่นพลังมืดเข้าตัวเราไม่ได้มันเป็นธรรมจักรอันนี้เรียกว่าธรรมจักรกับปวันสูตรนะเร่งสติหมุนกงรง้อของธรรมจักรเมื่อจิตเราหมุนแล้วเนี่ยเหมือนเราหมุนอย่างนี้เนี่ยอะไรมากระทบก็บมันเบี่ยงทิ้งมันมีแต่จอาวในข้างในที่เราบางคนเขาเรียกว่าผีเข้าหรือว่าไปเลี้ยงผีมาตลอดชีวิตยี่สิบเจ็ดปีผมเป็กรูกลับมาจากเมกาเพราะครูเจอหมดเลยคนมาลองของลองลอะไรเต็มไปหมดเลยนะ นะเลี้ยงผีเดี่ยงอะไรเพราะจิตมันหมุนแล้วเนี่ยมันไม่ยอมให้อะไรอยู่ในร่างนี้มันเอาออกหมดเลยนะจิตเขาต้องการยึดร่างเขาคืนเนี่ยเพราะว่าร่างนี้คือของเขาเขาต้องอาศัยร่างนี้เป็นเครื่องมือเดินทางของเขาที่เรียกเรียกว่าเจริญมัทจิตนะเป็นจิตเราล้วนๆเลยเรารู้ตัว ต, วตลอดแต่ทีนี้เอิญบางเอิญว่าไอ้แนวเราเนี่ยเราให้มันส่งผลทางกยายภาพด้วยให้มันแสดงออกไม่งั้นไม่รักษานะ อย่างครูบาอาจารย์เราเนี่ยสายวัดป่าเนี่ยนะท่านเจริญสติฝึกจิตอย่างเดียวแล้วทรมานสังขารเป็นเวลายาวนานบางทีจิตหลุดพ้นแต่ร่างกายบั้านปลายชีวิตเป็นอมพาธรรมภก อ, อันนี้เป็นกรรมปัจจุบันเนื่องจากเราต้องการกดบ่อตัวเองแต่ทําอะไรที่มันเกินเลยจริงๆแล้วมันไม่ทาไม่ใช่ทางสายกลางไม่ใช่ความเปลี่ยนชอบมันแฝงด้วยความอยากเป็นเวลาหลายปีไปนั่งทับตัวเองเลือกลงมันไม่วิ่งแต่บางทีจิตหลุดพ้นได้ บังเอิญว่าร่างกายต้องรับกัรตรงนั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมต้องไปด้วยกันนี่คือมหาสติปฐานแต่ตอนนี้เราเราเรียนรู้ฝึกแบบทีละขั้นอยู่ในฐานกายไปดูลมหายใจไปไปดูอริยบทขวาซ้ายหรืออะไรเนี่ยมันไม่ใช่ผิดนะมันเป็นการเจริญสติอันนี้สอนเด็กๆนะไปดูร่างกายแล้วก็มาดูเวทนา อสุภกรรมาฐานไปนั่งดูซากศพดูอะไรให้มันเกิดสังเวชเกิดเวทนาแล้วก็ไปนั่งดูตัวเองว่าจินตนาการว่าตัดไปไส้พุงเอาหนังออกนะเห็นเลือดเห็นน้ําเหลืองอุ้ยมันสังเวชจริงๆเราไม่ได้สวยจริงๆทําให้เราเกิดเวทนาทําให้เราจางควายความยึดมั่นถือมั่นในในในในกายภาพนี้บางทีเห็นอาเกียนออกมาเลยนะนะพออีกอาทิตย์หนึ่งผ่านไปก็สวยๆเหมือนเก่า มันเป็นเรื่องของการจินตนาการเอาเองมีคุณหมอท่านหนึ่งไปบวชแล้วก็ไปเยี่ยมพ่อครูท่านบอกว่าการที่เห็นอสุภะเห็นตับไปไสพุงเนี่ยถ้าเห็นผู้มบรรลุทําท่านควรบรรลุนั น, นแล้วเขาผ่าตัดเขาเห็นสดๆเลยไงนะแต่มันไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นอุบายวิธีนะและบางทีไป น, นั่งมันหนสิบชั่วโมงยี่สิชั่วโมงนั่งทรมานสารคามให้มันเกิดเวทนาอันนั้นไม่ใช่ของจริงอันนั้นเป็นกรรมใหม่นะ เป็นการสร้างการรมเพื่อเกิดเวทนาแล้วก็ใช้เวทนานั้นเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสติมันก็ได้สติแต่มันไม่เข้าไปถึงของปัญญานะมันก็แยกส่วนไงหลังจากฐานกายแล้วให้มันเกิดเวทนาก็เอาเวทนาพิจารณาและสุดท้ายก็ไปนั่งดูจิตสมมติบ้านหลังนี้ชื่อว่าจิตแล้วก็ไปนั่งเพ่งจิตนะแล้วก็เห็นเงาของมันก็เป็นแค่การเจริญสติ เห็นอารมณ์หยาบๆภายนอกเป็นแค่เวทนาไม่ใช่ธรรมในธรรมนะเราไปส่องดูหน้าต่างดูในบ้านก็ยังเปื้อนเหมือนเก่าไงเผ่นจนตายมันก็เปื้อนเหมือนเก่าคำว่าจิตในจิตก็คือว่าเราต้องเปิดประตูบ้านเข้าไปในจิตในจิตถ้าเราไม่เข้ามาในห้องนี้เรารู้หรือเปล่าห้องนี้บรรยากาศเป็นยังไงมันมีกิเลสอะไรบ้างอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่เราเข้าไปในจิตในจิตเราทึ้งเสดธรรมในธรรมธรรมอารมที่บันทึกงมาให้จิตได้สํานึกเราหลายพบหลายชาติ นะเข้าไปทำไมเข้าไปเก็บขัดเกาจิตให้ผ่องใสยัไงใช่ไหมละ่ะทีนี้ถ้าเราเราเรฝึดแบบสเตปบายสเตปก็คือว่าทีละขั้นฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมนะเริ่มจากหลวงปู่มั่นร้อยปีที่ผ่านมาครูบาอาจารย์หลวงพ่อใหญ่ของเราที่อีสานนะแล้วก็มาลุกสิทธิ์ลุกหาชุดหนึ่งนนเนี่ยก็ดำเนินอย่างนี้ทีละขั้นกว่าจะถึงตรงนั้นแล้วมันต้อง จเจริญชานมหาศาลเลยบางทีตายก่อนนะก็ขอเอ่ยชื่ออาจารย์มิสุก็จเจริญมาสามสิบแปดปีแล้วตอนนี้ออกไปไหนท่านออกไปไหนครับท่านออกไปแต่งงานเนาะหลวงพ่อชาเตือนอยู่เรื่อยเมื่อจะถือศีลนั่งสมาธิมันจะไปไหนท่านไม่ได้บอกมันไม่ดีก็มันออกไปแต่งงานไงเพราะกูต้องพูดถือว่าท่านเป็นศิษย์พู่น้องของกูถ้าหลวงพ่ออยู่นี่ยไม่เป็นแบบนี้วัดป่าต้องอยู่ป่าสิตอนนี้กลายเป็นวัดโยมหมด เทคนิคของวัดบาเนี่ยคุณต้องปีกวิเวกปีดหนีไม่ใช่ไยุ่งกะโยมพอยุ่งกะโยมแล้วนีน่อินทรีย์พระละที่เราฝึกตรงสติตรงนั้นน่ะมันสู้กระแสดึงดูดไม่ได้อาจารย์มิโสมไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะมีครูบาอาจารย์นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะ่ะก็ไปฝึกมาหลายปีพอพูดคนนั้นได้ยินข่าวนี่นั่งร้องไห้ร้องไห้ทําไมสามปีของท่านเนี่ยสมควรแก่กาบว่าและบูชาท่านไม่ได้ทําอะไรผิด เป็นสุตติปนโนนะบังเอิญท่านไปนติดที่สติไงปานาอานาปานาสติไงอยู่ที่สติเข้าไม่ถึงจิตในจิตแต่ระวังนะไอ้ที่ฝึกสติสีกันเพราะครูไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นวิอุบาวิธีเบื้องต้นสอนเด็กๆแล้วอาจารย์ที่พิสุทธิ์พิสุทธ์ให้ดูแลไงท่านฝึกอนุสติเป็นครูบาอาจารย์สอนสติด้วยสามสิบปดปีแล้วไปไหนล่ะ เห็นไหมล่ะท่านไม่ได้เข้าไปสาสานคดีความข้างในในจิตในจิตบังเอิญทางวัดป่าเนี่ยเขาเจริญฌานหลายปีมีพลังพุบเขาก็เข้าไปในจิตแล้ลึกชาติได้ท่านก็ไปจ่ายหนี้กรรมทางจิตแต่ท่านไม่แสดงออกทางกายยามภาคตอนนั้นเองอันนั้นเรียกว่าสติปัฏฐานสี่แต่สิ่งที่เราทําอยู่เรียกว่ามหาสติปัฏฐานสี่นะคือเอากายเวชนาจิตทำรวมเป็นหนึ่งเดียวขณะจิตเดียว นี่คือมหาสติปฐานทีนะ่เริ่มจากฐานกายนี่แหละเทวดาทําไม่ได้นะเทวดาไม่มีกายาเริ่มจากเอาฐานสายออยาตนะเราเนี่ได้ยินเสียงที่หูมารู้ที่ใจดึงแรงเบี่ยดเกิดแรงเบี่ยดขึ้นปลดปล่อยจิตให้เข้าไปสู่จิตในจิตเมื่อเข้าไปสู่จิตในจิตแล้วไอ้ธรรมะลมเนี่ยบันทึกสัญญาเน้นนะ่ะมันแสดงออกมาทางกายภาพมันรักษาร่างกายด้วยนี่เรียกว่ามหาสติปฐานนะ ในอาณาปณะสติ brainstorm. สูตรจริงๆแล้วพระครูหลีกเลี่ยงไม่พูดเรื่องนี้นะเพราะว่าพูดพดเดี๋ยวมันดึงถูกึงศาสนาดึงไปอีกโปรแกรมเราไม่เกี่ยวกับศาสนาโปรแกรมเราเนี่ยคือชีวิตฟิตเนสแต่บังเอิญว่าเรื่องจิตวิญญาณนี่ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกศาสนาพูดเรื่องจิตวิญญาณทีนี้ชีวิตเรามันเกี่ยวกับเรื่องกายจิตอารมณ์มันมันปฏิเสธจิตไม่ได้เรื่องอารมณ์ไม่ได้นะบังเอิญมีคําถามอะไรพ่อครูก็ถือโอกาสชี้แจง บางทีพระคยกตัวอย่างอิสลามยกตัวอย่างฮินดูยกตัวอย่างคริสยกตัวอย่า ง, างพุทธทุกศาสนาดีหมดหลยอยู่ที่ว่าอุบายวิธีในการทำหน้าที่ต่างกันเท่านั้นเองในอาณาปณะสติสูตรนะทางพระพุทธอ ง, องค์เราเนี่ตัดไว้ชัเดเจนมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปณะสติอันบุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมทําสติปัฐานทั้งสี่ คือกายเวทนาจิตธรรให้บริบูรณ์ให้บริบูรณ์นะตอนนี้อยู่ที่เพ่งลมหายใจอยู่ที่ขวาซ้ายเนี่ยอยู่ที่ฐานกายเท่านั้นเองมันบริบูรณ์หรือเปล่าไม่บริบูรณ์มันเพ่งการเจริญอนุสติสติเล็กๆแต่ไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นวิชาที่เจริญสติแต่ถ้าเป็นมหาสติปัฏฐานจริงๆเนี่ยเริ่มจากอาณาปณะสติสูตรเนี่ยอาจารย์มิสุก็เอาตัวนี้แหะหลวงพ่อชาก็สอนตัวนี้ เริ่มจากอาณาบรรสติตามลมหายใจเข้าออกสั้นก็รู้ยาวก็รู้นะก็เอาลมหายใจมันเป็นเครื่องมือเกาะอยู่ตรงนั้นเพื่อให้เราเลิกคิดเมื่อเราเลิกคิดเราก็รู้สึกสงบชั่วครู่มันก็ได้ความสงบชั่วครู่แต่ปัญญาไม่เกิดเราเข้าถึงกล่องปัญญาไม่ได้ก่องปัญญาคือต้องเข้าไปในจิตในจิตเข้าไปในเว็บไซต์เราไปเรียนรู้กับอาจารย์เราอายุหลายล้านชาติแต่ตอนนี้มัวแต่อยู่สติไง นะนะครัสติปัญญานทั้งสี่อันบุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมทําโอดชงทั้งเจ็ให้บริบูรณ์ <c oughs> ตารุนป่าพโอดชงคืออะไรเมื่อกี้พ่อครูชายให้ดูแล้วนะเมื่อกี้เขายืนหมุนยืนหมุนเนี่ยถ้าเขาใช้สมองหมุนนี่ยสามรอบเป็นยังไงเวียนหัวใช่ไหมครับเมื่อกี้เขาหมุนเป็นชั่วโมงถ้าเขามีสติเขาก็ล้มใช่ไหมสติตอนน้องเรียกว่าสติสังโอชชงเป็นสติ เป็นบรารมีของจิตเดิมเรามีอยู่แล้วสติไม่ต้องฝึกมันมีอยู่แล้วเอามาใช้เป็นสติซึ่งอิสลามากแต่เราฝึกสติข้างนอกนี่เป็นโลกิยาสติข้างนอกนี่โจรก็มีสตินะโจรก็มีสมาธินะมันมันพ้นไม่สาเร็จหมเขายิ่งต้องใช้สติใช้สมาธิมากกว่าเราอีกใช่ไหมเพราะมันต้องย่องเบาใช่ไหมแต่มันไม่มีสีไม่มีปัญญา เขาก็เลยใช้สติใช้สมาธินั้นนะ่ะเป็นเครื่องมือในการเบียดเบียนมันเป็นวิชาสตินะทะเลาะกันทุกบ้านนี้ทุกบ้านทุกเมืองเนะี่ยข่ายนี้ทะเลาะกันข่ า, านั้นข่ายนั้นว่าของกูดีเขาเมื่อไม่ดีนะ่อสติทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีสติเราด่าคนผิดนะถ้าเราจะด่าว่ามึงชั่วเราด่าว่ากูชั่วนะเรามีสติทั้งนั้นแหละแต่เราไม่มีศีลเราไม่มีปัญญานะตอนนี้จบอยู่แค่สตินะติดบ่วงนะนะ น่ากลัวมากเพราะคูอยู่ในป่ายี่สิบปีไม่ไปไหนพอออกมาแล้วเฮ้ยตอนนี้เอาอย่างนี้เลยไปไ ป, ไ, ปไหนไปปฏิบัติธรรมไปจบอยู่แค่ฝึกสติปฏิบัติธรรมไม่ใช่เจริญสตินะเจริญมักขนุนนิพพานแต่การเจริญนักต้องใช้สติใช้สมาธิแต่ไม่เมื่อกี้เขาเจริญโพชงโพชงทั้งเจ็ดอันบุคคลเจริญธรรมให้มากแล้วย่อมทำวิชา ชานสองตัวหรือตัวปัญญาเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะไม่ใช่เราทำให้มันเกิดขึ้นเราเข้าไปเนี่ยเข้าไปเว็บไซต์มันก็แสดงตัวนะวิชาและวิมุตติคือความหลุดพ้นเกิดขึ้นไม่ใช่อยู่แค่สตินะ<ม>เครื่องมือเดินทางในสายพุทธนะไตรสิกขาเราเรียกว่าสีนสมาธิปัญญาเพราะูถามว่าสติไปซ่อนอยู่ไหนมีสติไหม ศีลสมาธิปัญญามีสติไหมทานศีลภาวนาสติอเวทนาอยู่ไหนแต่สติเป็นเครื่องมือนหนึ่งในแปดอย่างเนี่ที่สำคัญในการเดินตามแต่ไม่ใช่เป้าหมายตอนนี้เอาสติเป็นเป้าหมายไงฝึกสติกันตลอดเวลาแล้วถ้าชั้นไม่ฟังชั้นไม่ใช่หมดอันนั้นก็ไม่ใช่นี้นก็ไม่ใช่เอาก็กอดสติไปสี่ไปหลงวิชาไงมันเป็นวิชาแค่ฝึกสติมันไม่ใช่มั้ เหมือนเราหลงป่าเนี่ยแหละเราถูกตีหัวสสรเขาใส่กระสอบเอาไปทิ้งกลางป่าพอเราฟื้นขึ้นมาเราก็ออกมาจากกระสอบออกมาแล้วจิ่งที่ต้องทาคืออะไรไม่ใช่ไปฝึกสติฝึกสมาธินะไม่ใช่ไปฝึกวิชาใดทั้งนั้นนะเราต้องรีบเดินออกจากป่าให้เร็วที่สุดเห็นไหมอา้าเราไม่รู้ว่าทิศไหนทิศไหนเราก็ต้องใช้ปัญญาไงดูภาพทิศขึ้นทางนี้ทิศตะ ว, วันออกบ้านเราอยู่นิเดินไปทางนี้ นี่ใช้ปัญญาช่วงที่เดินนี่ถ้าไม่ใช้สมาธิก็ ข, ขัดขาตัวเองล้มนะถ้าไม่มีสติก็ตกเขวตกบ่อยต้องใช้มันนี่คือเจริญมรรคเจริญมรรคผลนิพพานไม่ใช่เจริญสติผลนิพพานตอนนี้ติด บ, บว่วงมันถึงไม่ไปไหนไงก็ไปอยู่ก็ไปแต่งงานไงเจ็บปวดเจ็บปวดในฐานะที่สายวัดป่าด้วยกันเนี่ย กระทบไปทั้งหมดเลยนะท่านไม่ได้ทําอะไรผิดท่านมีสิทธิท่านมีอะไรแต่ว่าพูดแรงๆเลยไหมถ้าท่านบูชาครูบาอาจารย์จริงๆหลวงพ่อชาหรือพระพุทธเจ้าเราท่านต้องตายในพระเหลืองอย่าไปอ้างนูน่น้างนี่ท่านสู้กระแสกรรมไม่ได้ก็ถูกแล้วที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อดับกระแสกรรมแตท่านไม่ได้ดับท่านมัวจะไปเพิ่มสติไงนะไปติดรูปแบบกันไปขังกัน นั่งทรมานตัวเองอะไรเนี่ยนะมันไม่ใช่ความเพียรชอบมันไม่ใช่ทางสายกลางใช่ไหมเราต้องรักษาร่างกายเราด้วยเราต้องอาศัยร่างกายนี้มันเหมือนรถยนต์เราต้องอาศัยร่างกายนี้เคลื่อนไหวเดินทางของเราเนี่ยนะเทวดาไม่มีกายเขาทำไม่ได้นะเราต้องเข้าใจทุกคนก็อ้างศาสนาพุทธก็อ้างพุทธเจ้าศาสนาคิดก็อ้างอาจจเออเรา ทุกศาสดาสอนให้คนทำดีหมดห ล, ละไม่มีไม่มีมิจฉ ง, งดีหมดเพียงแต่ว่าใช้เทคนิคที่ต่างกันอย่าไปทะเลาะเบาแววงกันอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีศาสนาก็ไม่ใช่ธรรมะนะศาสนาเพิ่งเกิดขึ้นในโลกใบนี้ไม่กี่พันปีสองสามพันปีนี้เองทุกศาสนามนุษย์สร้างขึ้นเท่านั้นแหละเป็นสิ่งสมมุติดยเฉพาะสายพุทธผู้เจ้าตัดไว้เองเนี่ยอ่ ว่าศาสนาพระองค์อยู่ได้ประมาณห้าพันปีมันมาครึ่งทางแล้วกำลังวุ่นวายเละตุ้มเปหมดอันนี้ทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะทุกคนมีทิฏฐิมานะไปะยึดมั่นถือมั่นกับแนวทางที่ตัวเองปฏิบัติคือเราเข้าไม่ถึงถ้าเราเข้าถึงแล้ววิธีไหนก็ทําไปเถิดเป็นอุบายวิธีตัวนั้นเองแต่ตอนนี้เอาอุบายวิธีเอาเทคนิคมาสร้างเป็นแบรนด์เนมไงมันเป็นยุคแ ข, ข่งขันเสรีนอทุนนิยมเลยผลิตเรื่องแบรนด์เนมกันเอาวิธีปฏิบัติมันเป็นแบรนด์เนมสายโนนสายนี้ นะไม่มีสายไม่มีไม่มีสายเท่านั้นแหละเวียงทิ้งหมดนะเป้าหมายคือเรามาเกิดเพื่อเดินทางเพื่อพ้นทุกข์ส่วนเทคนิคอุบายวิธีนั่นอุบายวิธีจริตไม่เหมือนกันก็ทําไปแต่อย่าไปหลงว่าต้องอุบายนี้ต้องอุบายนั้นถ้าไม่ใช่อุบายนั้นก็คือไม่ใช่พุดไม่ใช่คิดไม่ใช่อิสลามลนันตอนนี้น่ากลัวมากนะอิสลามเราเองเนี่ยตะวันออกกลางก็ฆ่ากันเอง ใช่ไหมพุดในบ้านเมืองเราตอนนี้มันก็กําลังลุยรุ่นกันเองอยู่นะศา ส, สดาเขาสอนอย่างนั้นเหรอตอนนี้มันเลอะเลือนหมดแล้วล่ะนะคำสอนทุกศาสนานี่ไม่มีผิดเพีย้ยนแต่คนในศาสนาตอนนี้มันผิดเพี้ยนไงเพราะไม่ระวังตัวกันเองอย่าไปทะเลาะกันเลยเอาตัวเองรอดเถอะนะแบกขันห้านี้ก็หนักนะสาหาันแล้วยังไปเอาขันหกขันเจ็ดขันแปดอยู่เปรับขันอยู่ตรงนั้นอนะ่ะมันไม่จะทางคนทุก อย่าไปติดรูปแบบเบียงทิ้งหมดนะแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นสังคุมแข่งขันเสรีไงทุกคนแย่งชิงมวลชนกันไงก็ตั้งแบรนด์เน่แบรนของฉันถูกของเธอผิดอะไรเนี่ยเธอจะทําอะไรก็ทําไปเถอดแต่ว่าคนอื่นเขาผิดได้ไหมแต่ทีนี้พั ก, กูอยู่ในป่านั้นก็ไม่รู้หรอกคําว่าสมาธิเวียงเนี่ยนะพั ก, กูไม่ได้ตั้งชื่อนะคําว่าเวียงทิ้งมันเป็นกิริยาขึ้นสลัดออก เห็นอะไรก็สลัดออกไม่เอาทั้งนั้นไม่ติดอะไรทั้งนั้นไม่มีอุบายวิจิตรชัดเจนไม่ใช่วิชาสอนนะเห็นไหมพวกเรามาคอส์นี้เนี่ยก็วันนี้เป็นวันที่สามแลม้วเห็นไหมมาใหม่ใช่ไหมไปไปเรียนกอไก่ขอไก่ฝุกชาดหนึ่งชาดสองต่างๆเพราะครูสอนอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ไม่ใช่วิชาสอนไม่มีใหม่ไม่มีเก่ามาพวกก็ปฏิบัติร่วมกัน เหมือนกีฬาเป็นยาวิเศษเนะ่ยถ้ากีฬาจริงๆเนี่ยไม่ต้องฝึกนะนะอา้ามาเจอกันอายุเท่าไรไปไปเล่นกีฬาด้วยกันคือไปเดินด้วยกันไปจ็อกกิ้งด้วยกันเนะไม่ต้องฝึกส่วนใครจะวิ่งช้าวิ่งเร็วแล้วแต่กําลังตัวเองเนะ่ยแล้วสุดท้ายทุกคนรู้ความพอดีตัวเองทุกคนก็แข็งแรงแต่ตอนนี้เกมกีฬานเป็นเกม แ, แข่งขันไงต้องมีการฝึกไงต้องมีการเครียดมันไม่ใช่ยาวิเศษอีกแล้วการฝึกจิตการปฏิบัติข้อเหมือนกัน มีเทคนิคกุบายวิธีทีละขั้นทีละขั้นถ้าไปฝึกแค่นั้นนะเพราะคุณว่าตายก่อนถ้าความคิดแบบนั้นถูกต้องในสายพุทธเนี่ยนะมาใหม่ใช่ไหมเอาทีละขั้นทีละสเต็ปนะตายก่อนเราจะมีเวลาเท่ากับอาจารย์วิสุโหมั้ยทุ่มเทสามสิบปปีนะถ้าความคิดแบบนั้นถูกต้องนางวิสาขาบรรลุโสดาบรรจิตขวดไม่ได้ เนนบัณฑิตเจ็ดขวบบวชแค่แปดวันเป็นอรหันต์ไม่ได้พาหิยะไม่รู้เรื่องศาสนาเลยฟังธรรมพุทธเจ้าครั้งเดียวไม่ถึงสามมิตบรรลุธรรมเนี่ยไม่ได้แล้วทําไมมันเกิดขึ้นได้ถ้าจะอ่านพระใจบิดงกอ่านมันพบรอบอ้างแต่จุดที่ตัวเองพอใจก็ยึดมั่นถือมั่นโดยนะับไปว่าสิ่งอื่นผิดหมดอันนี้พ่อกูไม่เห็นด้วยนะบางครั้งขอชี้แจงบ้าง พราะยีสิบเจ็ดปีนี่อยู่เพราะกูก็ทําตามเพรา ก, กูไม่ยุ่กับใครก็โดนใส่เขาไปเรื่อยใส่เข้าไปเรื่อ ย, ย, อยนะเพราะกูไม่มีลทัทธินิยายไม่มีนะเพราะกูดํำรงชีวิตแบบคําสอนพระเจ้ายี่สิบเจ็ดปีทําดีละชั่วงขัดเก้าจิตให้ปองสายทำเรื่องสามอย่างอย่างอื่นไม่ทําไม่ติดรูปแบบไม่มีรูปแบบไม่ใช่วิชาสอนยี่สิบเจ็ดปีไม่เคยใช้สมองโง่ๆอายุหกิเ็ดปีของพ่อคูเนี่ย มาสอนจิตที่พูดที่พูดนี้เอาประสบการณ์ทางโลกทางธรรมมาเล่าให้ฟังอย่าไปติดบ่วงรูปแบบนั้นรูปแบบนี้อยากจะไปฝึกก็ไปฝึกลองดูไม่มีแม้แต่หนึ่งรูปแบบตายตัวว่าเธอมาเดินอย่างนี้เธอจะรบรรลุนิพพานไม่มีไม่มีมมหลายปีพระครูโดนประเมินนะจบด็อกเตอร์ทางศาสนาเป็นพระผู้ใหญ่ไปแลกเปลี่ยนเยอะแยะเลยทุกคนก็าอ้างผูเจ้าว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ ความรู้ที่พูดออกมามีแต่ ว, ว่าฟังเขาว่าเขาว่าเขาว่ า, า, วาไม่ได้เกิดขึ้นจากเราเองเลยนะในสายพุทธผู้เจ้า ก, ก็บอกยองอย่าเพิ่งเชื่อตำราไงพระไตรปิฎกเป็นตำราเรื่องหนึ่งนะบันทึกจะเป็นภาษาบาลีเศรษกิจแปลเป็นไทยเขาช่างตอนนี้เนี่ยด็อตอร์สองคนคนหนึ่งแปลนิพนานว่าอัตตาคนหนึ่งแปลว่าอนัตตาเราจะเชื่อใครคำว่าด็เตอร์คือมาตวัดความรู้สูงสุดไง คนอบอกเดี่ยวซ้ายคนอบอกเดี่ยวกว่าพระพุทธองค์จึงบอกว่าอย่าคุณเชื่อตำราพอตำรามันออกในรูกของภาษาพวกมันหยาบเลยไมิตรอ่านหนังสืออังศีไปต้องจําความรู้แล้วไปหลงความรู้นั้นก็เอามาเมา่กันทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองเจ้าชายศิทธาถะไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเลยนะเพราะครูบอกให้นะมันไม่มีให้อ่านพระองถึงบรรลุไง เขาองเริ่มปฏิบัติลองถูกลองปิดอยู่หกพันษาเมื่อตัดสนรูท้ทำเข้าสู่ปฏิเวศเห็นไหมก็สงที่ปรลูเห็นมาบอกกล่าวเท่าที่พูดได้จะเป็นพระอา น, นุ์หรือเปล่าเป็นคนจดจๆเพื่อนพ่อหลังพ่อครูมันบอกไม่เชื่อนิทานน้ำเน่าก็ช่างมันพวกมันก็ล็อกไว้หมดแล้วอยากพึ่งเชื่อนะเพราะตำราเป็นลูกออกภาษาภาษาแปลงออกมาปึ๊บเหมือนคำว่าอร่อยแล้วว่าจริงไหมจริงไหมครับคำว่าอร่อยมันเป็นความจริงไหม สมมติว่าเ้าเอ า, เ, อ า, เ, อาเปิดทุเรียนหน่อยสุกๆมาให้พะกูนจานหนึ่งอยู่ที่นี่บางคนอร่อยบางคนทุกมาวิ่งหนีเลยนะถ้ามันอร่อยก็ต้องเหมือนกันใช่ไหมละ่ะภาษามันเต็งออกมาปุ๊บมันไม่เหมือนกันเข้าใจไม่เหมือนกันคนนึงเข้าใจมิพานว่าอัปตานะทุกวันนี้เถียงกันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะไม่ฟังพระเจ้าพระเจะบอกอย่าเพิ่งเชื่อตำราอย่าเพิ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เรา ถ้าท่านพูดเป่งออกมาเป็นรูปของภาษาแล้วอย่าเพิ่งเชื่อบางทีท่านเป่งออกมาร้อยเปอร์ปัญญาเราไม่ถึงเราก็เข้าใจภาษานั้นผิดแล้วก็ปฏิบัติผิดไงภาษามันหยาบเกินไปนะภาษาอมาสื่อกันนะถ้าคนมีปัญญาก็สื่อกันให้มันเกิดประโยชน์แต่ถ้าคนมีแค่ความรู้จบด็อกเตอร์ทางภาษาปริญาเอกรับปริยาบัตดมาพร้อมกันออกมาคุยไม่รู้ภาษา เนี่ยก็ภาษาเดียวกันไงก็จบสูงสุดในทางภาษาศาสตร์ไงทำไมคุยจะไม่รู้ภาษาเห็นไหมภาษามันยากเกินไปที่จะพูดปุ๊บทุกคนเข้าใจเหมือนกันหมดนะท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตราคฎเราเข้าถึงธรรมเราจะเข้าใจพระเจ้าเราจะเข้าใจพระอัลละฮ์เราจะเข้าใจพระเยซูต้องเข้าไปถึงธรรม แล้วจะเข้าใจท่านเหล่านั้นหลายปีมีพ่อครูยินดีแลกเปลี่ยนนะยังมีทิฏฐิมนะันมีทิฏฐิบางครูไม่คุยด้วย เ, เธอเก่งสาธุเก่งเป็นพ่อครูเลิกเก่งมานานแล้วพ่อครูยอมแพ้คนเพื่อชนะกิเลียดดีกว่าแพ้กเกเลียดเพื่อชนะคนนะก็สุดท้ายเนี่ยบางคนเขาไม่ยอมหยุดเลยว่าอา้าที่ท่านเป่งออกมาทั้งหมดในความรู้นี้เอามาจากไหนเขาว่าตำราว่าหนังสือมันบอก เคยถามนะอวิธีพ่อคูทําอย่างนี้ไม่ใช่วิธีพ่อคูไม่มีวิธีนะวิธีพ่อคูไม่มีวิธีวิธีคือว่าถ้ามีวิธีพวกทุกคนเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันหมดเพ่งกับเหมือนกันหมดนั่นคือวิธีอันนี้ไม่มีวิธีแนวทางที่ศูนย์พลานข่อยไม่มีแนวทางไอ้ที่ไม่มีแนวทางคือแนวทางของเราไม่มีกติกาไม่แต่หนึ่งข้อในป่าดงดิบนี่ไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีกฎหมาย สัตว์ทั้งหลายอยู่อย่างสัน ต, ติเสรีโดยแทย่นกฝรั่งเศสบินมาเมืองไทยไม่ต้องขอวีซ่านะมนุษย์เราวุ่นวายไปหมดเลยเห็นไหมถ้าเราตั้งกติกาปุ๊บมันจะมีคนผิดกติกามีคนจับถูกจับผิดกันที่ศูนย์พลังข่อยไม่มีปล่อยให้เป็นตนมามธรรมชาติอยู่กันแบบพี่แบบน้องมีอกันก็คุยกันนะสุดท้ายถามว่าถ้าในสายพุทธเนี่ย มีใครมีความรู้มากกว่าพระอนุตรู้จักพรอนุนไหมครับเป็นพระเลขาอนนอไม่ต้องแปลบาลีเป็นไทยไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยรับจากพระโอษฐโดยตรงเลย mm hmm. เห็นวัดปฏิบัติผู้เจ้าเลย mm hmm. เห็นไหมใกล้ชิดที่สุดทำไมไม่บรรลุธรรมเกือบไปไม่ทันแล้วนะ mm hmm. พรุ่งนี้เช้าจะเป็นประธานอเรียส่งนะ mm hmm. ถ้าไม่ใช่พระอาหารหันต mm ์ hmm. เข้าประชุมไม่ได้ไง คืนนั้นมุ่งมั่นถึงสว่างเลยไม่บรรลุไงนอนดีกว่าช่วงนอนดีกว่าบรรลุกลางอากาศเนี่ยถามว่าสูตรไหนสูตรพระ อ, อนนท์เราเรียนแบบได้ไหมได้แต่ว่ามันจะบรรลุหรือเปล่าไม่รู้น่ยแกล้งลม้มแกล้งล้มเรื่อยๆบางทีมันฟุบนะเวลามันวางแนละ้วมันก็ว่างเนี่พระที่เบียรท่านทําอยู่ไหวทิ้งตัวเลยทิ้งตัวเลยเน่ย แต่หนึ่งในร้อยก็ไม่มีหนึ่งนล้านก็ไม่มีมันไม่เหมือนกันไงสูตรใครสูตรมันเนาะข้านว น, น, นี่ที่ท่านันรู้ทำไม่ใช่ท่านรู้มากนะท่านรู้มากที่สุดเลยไอ้ตัวรู้มากเนี่ยทำให้ท่านไม่บรรลุไงมัวแต่รู้อยู่ตรงนั้นแหละท่านบรรลุเวลานั้นคือท่านวางคือหมดหวังแล้วไม่หวังแล้วนั่นคือวางปุ๊บบรรลุทำเไมยอย่าไปอวดความรู้กันนะ ใครรู้มากกว่าพระ อ, อนุนมิจะรู้มากไม่รู้จริงเนาะเพราะกูใช้คำว่าเสียดายเสียดายเราเกิดมาเป็นคนไทยนะเกิดมาเจอพุทธศาสนาเจอทุกศาสนาอิสลามเจออะไรเนี่ยดีทั้งนั้นแหละขอให้ทำจริงไหมแต่ตอนนี้ทุกศาสนาทะเลาะ ก, กันหมดนะไม่ใช่ระหว่างศาสนานะนะเอากันหมดเลยทั้งโลกนะตอนนี้นะมันมันวุ่นวุ่ให้หมดเลย เรามีศาสนาแต่เราไม่เข้าใจศาสนาเราไม่เข้าเราเข้าไม่ถึงศาสดาจริงๆนะพ่อครูคนหนึ่งไม่ทะเลาะกับใครแต่มีโอกาสมาล่าให้พวเราฟังเพราะว่ายิงถูกยิงคําถามมาหลายปีนะยินดีที่จะแลกเปลี่ยนอย่างมีทิฏฐิมานะนะถ้าพ่อครูไม่เห็นจริงๆเหล่านี้ทิ้ง่อครูยู่อเมริกานะนะอยากได้อะไรก็มีหมดแล้วไงพราะครูหาความสุขไม่เจอนะ หรือว่าใครเจอบ้างบอกพ่อครูหน่อยเมตตาบอกพ่อครูหน่อยว่าถ้าพ่อครูเห็นไหมว่าตัวความสุขมันมีกี่แขนกี่ขามันแต่งชุดสีอะไรนะเนาะพ่อครูจะไปหามาันเด็กเก่งๆนะลูกนะขยันขันแข็งทํางานร่ารวยแล้วจะมีความสุขพ่อครูถูกหลอกไปสี่ปีเงินเต็มบ้นานพ่อครูหาความสุขไม่เจอเรากําลังแสวงหาสิ่งที่มันไม่มีเหมือนในโลกใบนี้เนี่ยไม่มีความเย็นนะ ห้องนี้มันเย็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรครับฮะเรามีเครื่องตับอากาศใช่ไหมเราปรับ อ, อความร้อนออกเท่านั้นเองในโลกนี้ไม่มีความเย็นพระอาทิตย์มีเป็นตัวที่จ่ายความร้อนไม่มีดาวดวงไหนจ่ายความเย็นน้ําแข็งที่มันเย็นเพราะอะไรเพราะความร้อนมันน้อยเท่านั้นเองไม่เชื่อเอาไปนั่งตั้งไว้ตามแดดเดี๋ยวมันละลายชั้นในชั้นนั้นความสุขไม่มี ถ้าความทุกข์มันยังอยู่เราไปแสวงหาความสุขนอกกายหาเงินหาเงินจะไปซื้อความสุขมันไม่มีมีแค่ความสะดวกสบายความสบาใจความพึงปอใจตอนนั้นเองมันไม่ใช่สุขนะเพราะคูเจอแล้วยี่สิบเจ็ดปีใครทาให้พวกกูทุกข์ก็ไม่ได้ไงไม่ได้นะความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระ อิสระจากตัวตนของตัวเองนะอิสระจากอัตตาเราทำลายอัตตามันจิ้งเข้าสู่สุนดตาคือว่างจากอัตตาเนี่ยเมื่อตัวเราไม่มีใครจะเป็นคนถูกด่าเลยใครจะเป็นคนทุกข์เลอนั่นแหละเราเจอความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ได้โน่นได้นี่ไม่ใช่มันเย็นแบบนี้ไม่ใช่คือความไม่มีทุกข์เท่านั้นเองความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระเราไปหาความสุขนอกกาย เจอกีชาติก็ไม่เจอมันไม่มีนะนี่มันเย็นเพราะเราความร้อนออกสันเด็จฉันในฉันนั้นถ้าตัวเรายังมีทุกข์อยู่เนี่ยสุขไม่แสดงดูเนี่ยคำว่าดับทุกข์นะการดับทุกข์เป็ น, นเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ตอนนี้เราถูกทุนนิยมวัตถุนสอนว่า หาเงินเยอะๆแล้วก็ไปสแสวงหาไปซื้อความสุขกันเนี่ยนะพวกกูโดนหลอกไปไม่ใช่สี่สิบปีนะหลายชาติละตอนนี้มันเลิกโง่ละเป็นไงให้เวลาหล่ย ก, ก็ระฆังเตือนนุ๊กก็จะเข้าห้องน้ำรีบเข้าก็า เ, ขาเข้ามาปฏิบัติอีกชั่วโมงหนึ่งครับอีกชั่วโมงนึงค่อยทานข้าวใช่ไหมเออถ้าใครไม่ปฏิบัติชั่วโมงนี้ก็ไม่ต้องทานข้าว